ที่ชื่อว่าได้ได้แก่ได้หชนิดคือวงเล็บหนึ่งได้ที่ทําด้วยเปลือกไม้วงเล็บสองได้ที่ทําด้วยใยวงเล็บสมได้ที่ทําด้วยไหมวงเล็บสี่ได้ที่ทําด้วยขนสัตว์วงเล็บห้าได้ที่ทําด้วยปานวงเล็บหได้ที่ทําด้วยวัตถุทั้งหชนิดผสมกันคําว่าช่างหกคือใช้ช่างหกให้ทอต้องอบัตทุกกดทุกขณะที่พยายาม จีวรเป็นนิสกีเพราะได้มาคือเป็นของจำต้องสละแก่สงฆ์แก่คณะหรือแก่บุคคลภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงสละจีวรที่เป็นนิสกีอย่างนี้